นอกจากนี้ความก้าวหน้าเพียงในขั้นศรัทธายัางไม่เป็นการมั่นคงปลอดภัยเพราะยังต้องเนื่องอาศัยปัจจัยภายนอกจึงยังเสื่อมถอยได้ดังพุทธพจน์ในพัทธลิสูตรมัชิมนิกายมัชิมปัญนาตว่าดูกระพัทธลิเปรียบเหมือนบุรุษมีตาข้างเดียวพวกมิตรสหายญาติสาโลหิตของเขาพึงช่วยกันรักษาตาข้างเดียวของเขาไว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 ลำพังศรัทธาอย่างเดียวเมื่อไม่ก้าวหน้าถึงขั้นปัญญาต่อไปตามลำดับย่อมมีผลอยู่ในขอบเขตจำกัดเพียงแค่สวรรค์เท่านั้นไม่สามารถให้บรรลุจุดหมายของพุทธธรรมได้ดังพุทธพจน์ในอรารักขตูปมาสูตรมัจจิมานิกายมูลปันนาตว่าภิกษุทั้งหลายในธรรมที่เรากล่าวไว้ดีแล้วซึ่งเป็นของง่ายเปิดเผยประกาศไว้ชัด ไม่มีเงื่อนงำใดๆอย่างนี้สำหรับภิกษุผู้เป็นอรหันตขีนาสพย่อมไม่มีวัตตะเพื่อจะบัญญัตต์ต่อไปภิกษุที่ละสังโยชน์เบื้องต่ำทั้งห้าได้แล้วย่อมเป็นโอปปาติกะปรินิพานในโลกนั้นภิกษุที่ละสังโยษ์สามได้แล้วมีราคะโทสะโมหะเบาบางย่อมเป็นสกทาคามี ภิกษุที่ละสั่งยชดสามได้ย่อมเป็นโสดาบันภิกษุที่เป็นธรรมานุสารีเป็นศรัทธานุสารีย่อมเป็นผู้มีสัมโพธิเป็นที่หมายผู้ที่มีเพียงศรัทธามีเพียงความรักในเราย่อมเป็นผู้มีสวรรค์เป็นที่หมาย